หนังสือวิธีชนะมิตรและจูงใจคนของเดลคาร์เนกี้แปลโดยอาสาขอจิตเมธ ต, ตอนที่สองวิธีปฏิบัติ6ประการเพื่อทำให้ผู้อื่นชอบท่านบทที่1จงปฏิบัติตามนี้แล้วจะมีผู้ต้อนรับท่านทุกคนทุกแห่งทำไมท่านจึงอ่านหนังสือเล่มนี้เพื่อหาความรู้เรื่องวิธีชนะมิตร ทำไมท่านจึงไม่ศึกษาเทคนิคของผู้สามารถเป็นเยี่ยมในการชนะมิตรซึ่งโลกยอมยกให้แล้วเขาผู้นี้คือใครท่านอาจจะพบเขาในวันพรุ่งนี้เดินมาตามถนนเมื่อท่านเข้าใกล้เขาในระยะสิบฟุตเขาจะกระดิกหางของเขาให้ท่านถ้าท่านเพียงแต่หยุดตบหัวของเขาเบาๆเขาแทบจะกระโดดออกมาจากหนังหุ้มร่างของเขาเพื่อแสดงให้ท่านเห็นเป็นการตอบแทนว่า เขาชอบท่านอย่างไรและท่านรู้ดีว่าการที่เขาแสดงกิริยาท่าทางว่าชอบท่านอย่างซาบซึง้งทั้งนี้เป็นการกระทําซึ่งปราศจากความต้องการใดๆแฝงอยู่เบื้องหลังแม้แต่น้อยเขาไม่ได้มีความต้องการที่จะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ท่านและเขาไม่ได้มีความต้องการที่จะแต่งงานกับท่านท่านเคยหยุดคิดบ้างหรือเปล่าว่าหมาเป็นสัตว์ชนิดเดียวเท่านั้นที่ไม่ต้องทํางานเพื่อเลี้ยงชีพแต่ไก่ต้องให้ใคร แม่วัวต้องให้นมนกคิริบูลต้องให้เพลงแต่หมาเลี้ยงชีพยอยู่ได้โดยไม่ได้ทำสิ่งใดให้ท่านนอกจากการแสดงความจงรักภักดีต่อท่านเมื่อข้าพเจ้าอายุห้าขวบพ่อซื้อลูกหมาตัวผู้ขนสีเหลืองอ่อนมาตัวหนึ่งด้วยราคาห้าสิบเซนเจ้าหมาตัวนี้ทำให้ข้าพเจ้าสนุกสนานร่าเริงในระหว่างชีวิตเด็กของข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่ง ในตอนบ่ายทุกๆวันประมาณเวลา 16.30 นาทีมันจะนั่งอยู่ตามบริเวณหน้าบ้านและจับตาอันสวยซึ้งเพ่งเป็นจุดเดียวที่ทางเดินครั้นเมื่อมันได้ยินเสียงข้าพเจ้าหรือมองเห็นข้าพเจ้าแกว่งกระป๋องใส่อาหารกลางวันเดินมาตามพุ่มไม้มันจะพุ่งตัววิ่งอย่างแทบไม่หายใจขึ้นบนเนินตรงมาต้อนรับข้าพเจ้า พร้อมกับกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจและเห่าในอาการปราบปลื้มยินดีอย่างสูงเจ้าหมาตัวนี้ทิปปี้เป็นสหายที่ดีของข้าพเจ้าอยู่ตลอดเวลาหปีครั้นแล้วในคืนอันแสนเศร้าคืนหนึ่งคืนซึ่งข้าพเจ้าไม่มีวันลืมเลยเจ้าทิปปี้ตายเพราะถูกฟ้าผ่าในระยะห่างจากหัวข้าพเจ้าเพียง1ิบฟุตความตายของทิปปี้เป็นเรื่องเศร้าสลดอย่างยิ่งในชีวิตเด็กของข้าพเจ้า เจ้าไม่เคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาเลยทิปปี้แต่เจ้าไม่จําเป็นจะต้องอ่านมันหรอกเจ้ารู้ดีโดยสัญชาตญาณของเจ้าซึ่งพระเจ้ามอบให้ว่าการผูกมิตรกับผู้อื่นจะสําเร็จเรียบร้อยภายในเวลาสองเดือนด้วยการเอาใจใส่อย่างแท้จริงต่อเขาผู้นั้นซึ่งจะได้ผลยิ่งกว่าการผูกมิตรซึ่งใช้เวลาถึงสองปีแต่ด้วยความพยายามให้เขาผู้นั้นเอาใจใส่ต่อตัวเรารเจ้าขอกล่าวซ้ําอีกครั้งหนึ่ง การผูกมิตรกับผู้อื่นจะสําเร็จเรียบร้อยภายในเวลาสองเดือนด้วยการเอาใจใส่อย่างแท้จริงต่อเขาผู้นั้นซึ่งจะได้ผลยิ่งกว่าการผูกมิตรซึ่งใช้เวลาถึงสองปีแต่ด้วยความพยายามให้เขาผู้นั้นเอาใจใส่ต่อตัวเราท่านและข้าพเจ้าต่างรู้จักมนุษย์ผู้ประสบความผิดพลาดมาจนตลอดชีวิตของเขาจากความพยายามที่จะให้ผู้อื่นเอาใจใส่ต่อตัวเขาแน่ละ่ะการกระทําเช่นนี้ไม่ได้ผลอะไรเลย ผู้อื่นไม่ได้เอาใจใส่ต่อตัวท่านและไม่เอาใจใส่ต่อตัวข้าพเจ้าด้วยเขาต่างจะเอาใจใส่เฉพาะตัวของเขาเองตั้งแต่เช้าเที่ยงและหลังอาหารคำ่ำบริษัทโทรศัพท์นิวยอร์กเทเลโฟนสำรวจรายละเอียดว่าผู้ใช้โทรศัพท์สนทนากันใช้คำพูดคำใดบ่อยที่สุดท่านทายถูกแล้วกล่าวคือสับพนามของบุรุษที่หนึ่งข้าพเจ้าฉันดิฉันผม กระผมกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าวะกันข้ากูในการพูดโทรศัพท์กันห้าร้อยครั้งผู้พูดใช้สรรพนามตัวของเขาเองสามพันเก้าร้อยเก้าสิบครั้งเมื่อท่านเห็นรูปถ่ายมูซึ่งมีตัวท่านรวมอยู่ในนั้นท่านมองดูภาพของใครก่อนถ้าท่านคิดว่าผู้อื่นเอาใจใส่ต่อตัวท่านโปรดตอบคำถามประโยคนี้ถ้าท่านตายคืนนี้ จะมีคนศักก์กี่คนมาในพิธีฝังศพของท่านเป็นไปได้ไหมที่ผู้อื่นจะเอาใจใส่ต่อท่านในเมื่อท่านมิได้แสดงอาการเอาใจใส่ต่อเขาหยิบดินสอมาเดี๋ยวนี้และเขียนคำตอบลงไปถ้าเราเพียงแต่พยายามให้ตัวเราเป็นที่น่าทึ่งแก่ผู้อื่นและพยายามให้ผู้อื่นเอาใจใส่ต่อเราเราจะไม่พบเพื่อนที่ดีที่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อเรากี่คนนักเพื่อน เพื่อนดีโดยแท้จริงมีได้สร้างขึ้นมาจากการปฏิบัติเช่นนั้นพระมหาจากรพัฒน์นโปเลียนเคยพยายามมาแล้วเมื่อตอนพระองค์พบกับพระนางโยเซ ฟ, ฟินเป็นครั้งสุดท้ายพระองค์พูดโยเซฟินฉันเป็นคนมีโชคดียิ่งกว่ามนุษย์คนใดบนพื้นพิภพนี้แม้กระนั้นในชั่วโมงนี้เธอเป็นคนคนเดียวในโลกที่ฉันสามารถไว้วางใจ ประวัติศาสตร์ได้ตั้งข้อสงสัยว่าพระองค์ไว้วางใจในพระนางสม่ำเสมอตลอดไปหรืออย่างไรกันแน่ดรอันเฟรดแอเเลอร์นักจิตวิทยาเรืองนามชาวเวียนนาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อชีวิตจะมีความหมายแก่ท่านอย่างไรบ้างเขากล่าวในหนังสือเล่มนี้บุคคลใดที่ลาเวนการเอาใจใส่ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่เพียงแต่เขาจะดำรงชีวิตอยู่โดยปราศจากความราบรื่น หากเขาจะเป็นมนุษย์ที่มีอันตรายอย่างใหญ่หลวงแก่ผู้อื่นด้วยมนุษย์เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ห่างไกลจากความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองในประการทั้งปวงท่านอาจจะเคยอ่านหนังสือจิตวิทยาเล่มใหญ่แต่งโดยผู้คงแก่เรียนมาแล้วหลายสิบเล่มแม้กระนั้นท่านอาจจะไม่เคยพบข้อความใดที่มีความสาคัญยิ่งแก่ท่านและแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้อความนี้ของดรอเอร์แอดเลอร์ข้าพเจ้าไม่ชอบกล่าวซ้า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 ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเข้าศึกษาการประพันธ์เรื่องสั้นที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กและในระหว่างการศึกษาหลักสูตรนี้บรรณาธิการนิตยาสารคอนเลียสเคยมาเป็นผู้เลเชอร์หน้าชั้นเขากล่าวว่ามีเรื่องสั้นเป็นโหลๆซึ่งส่งมายังโต๊ะของเขาประจำทุกวันและเมื่อเขาหยิบเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาอ่านเพียงไม่กี่วักกี่ตอนเขาจะรู้ได้ในทันทีว่าผู้ประพันธ์เป็นคนชอบผู้อื่นหรือไม่ถ้าผู้ประพันธ์ไม่ชอบผู้อื่นเขาพูด ผู้อื่นก็จะไม่ชอบอ่านเรื่องของเขาบรรณาธิการผู้ผ่านความจัดเจนมานานผู้นี้ได้หยุดสองครั้งในระหว่างพูดเรื่องการเขียนเรื่องเรืองรมแล้วขออภัยที่เลคเชอร์ของเขาคล้ายกับการเทศนาในโบสถ์ไปเข้าพาเจ้าบอกท่านเขาพูดอย่างเดียวกับที่นักบวชเทศนาให้ท่านฟังแต่จงจาไว้ท่านจะต้องเอาใจใส่ต่อผู้อื่น ถ้าท่านต้องการจะเป็นนักเขียนเรื่องเรืองรมที่ได้รับความสำเร็จถ้าท่านเชื่อว่าเป็นความจริงที่การแต่งเรื่องเรืองรมจำเป็นจะต้องเอาใจใส่ต่อผู้อื่นขอให้ท่านเชื่อให้ยิ่งไปกว่านั้นอีกสักสองเท่าเถิดว่าการเอาใจใส่ต่อผู้อื่นมีความจำเป็นที่จะต้องใช้การติดต่อโดยใกล้ชิดกับใครๆทั่วไปข้าพเจ้าใช้เวลาค่าวันหนึ่งในห้องแต่งตัวของฮาวเวิร์ดเทอร์สตัน ในการแสดงที่บอร์ดเวย์ครั้งหลังของเขาเธอร์สตันผู้ประชาชนยอมรับนับถือแล้วว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งนักเล่นกลทั้งมวลเธอสตันผู้เป็นบราชาแห่งการเล่ น, นตกลตบตาเป็นเวลาถึง40ปีที่ชายผู้นี้เดินทางไปทั่วโลกครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อแสดงการเล่นกลอย่างประหลาดมหัศจรรย์ให้เป็นที่ชัยหนอนสนเท่แก่ผู้ดูจนถึงกับอ้าปากค้างไปตามๆกัน มีผู้เข้าชมการแสดงของเขารวมทั้งหมดมากกว่า60ล้านคนและเขาได้กำไรเกือบๆ2ล้านเหรียญเข้าพเจ้าถามเธอสตันถึงเคล็ดลับแห่งความสำเร็จของเขาการศึกษาเล่าเรียนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสำเร็จของเขาเลยแม้แต่น้อยค่าที่เมื่อยังอายุน้อยเขาหนีออกจากบ้านเป็นเด็กจรจัดแอบขึ้นรถไฟบรรทุกสินค้านอนบนกองฟางขออาหารกินจากบ้านนี้ไปบ้านโน้น และเรียนอ่านหนังสือด้วยการมองป้ายต่างๆริมทางรถไฟขณะเขาแอบอยู่ในรถสินค้าเขามีความรู้ทางการแสดงกลเหนือกว่าผู้อื่นหรือเปล่าเลยเขาบอกข้าพเจ้าว่ามีหนังสืออยู่หลายร้อยเล่มเขียนขึ้นเกี่ยวกับการแสดงกลพลิกแพลงต่างๆและมีผู้รู้วิธีแสดงกลเช่นเขาได้แสดงจํานวนหลายสิบคนแต่เขามีคุณสมบัติพิเศษอยู่สองประการที่ผู้อื่นไม่มีประการแรก เขามีสมรรถภาพเป็นเอกขณะอยู่บนเวทีโดยทำให้ผู้ดูติดเนื้อต้องใจในหน้าตาท่าทางของเขาเขาเป็นนักแสดงที่เชี่ยวชาญช่ำชองเป็นเยี่ยมทั้งนี้ก็เพราะเขารู้ธรรมชาติของมนุษย์ดีว่าต้องการอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เขากระทำทุกทุกอิริยาบถ ทุกๆพยางค์ที่เขากล่าวออกมาทุกๆครั้งที่เลิกคิ้วล้วนแต่เป็นสิ่งที่เขาฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีก่อนแล้วและการแสดงของเขากระทําไปในเวลารวดเร็วเพียงพริบตาเดียวแต่ยังมีสิ่งนอกเหนือไปกว่า น, นี้อยู่อีกประการหนึ่งกล่าวคือเธอตันเอาใจใส่ต่อผู้อื่นอย่างแท้จริงเขาบอกข้าพเจ้าว่ามีนักแสดงกลอนอยู่จานวนมากมักจะมองไปที่ผู้ดูและรำพึงเออแน มีหมู่คนโง่เสื้อแหกันมาดูเยอะแยะฉันจะตบตาคนเหล่านี้ให้แน่ไปเลยส่วนวิธีของเทอร์สตันเป็นไปอีกแบบหนึ่งเขาบอกข้าพเจ้าว่าทุกครั้งเมื่อเขาออกมาหน้าเวทีเขาจะรำพึงฉันรู้สึกชอบคุณท่านเหล่านี้ที่มาดูการแสดงของฉันท่านเหล่านี้ช่วยให้ฉันเลี้ยงชีพด้วยความสุขสบายเป็นอย่างดีฉันจะแสดงให้ชมอย่างดีที่สุดด้วยความสามารถเต็มที่ของฉัน เขาเปิดเผยว่าเขาไม่เคยย่างกรายออกไปท่ามกลางแสงไฟหน้าเวทีโดยละเว้นการรำพึงทบไปทวนมาฉันรักคนดูฉันรักคนดูนนดออกจากพิรักพ่ลั่นหน้าขันท่านมีสิทธิที่จะคิดในเรื่องนี้ตามใจชอบอย่างใดก็ได้ข้าพเจ้าเพียงแต่นํามาเล่าแก่ท่านโดยไม่มีการออกความเห็นในฐานะเป็นวิธีการซึ่งนักแสดงกลผู้ลือนามที่สุดในทุกยุคทุกสมัยได้ใช้มาแล้ว มาดามซูมานไห้บอกข้าพเจ้าละไม้คล้ายคลึงกันอย่างที่สุดทั้งทั้งหล่อนกำลังอดอยากหิวโหยและชอกช้ำใจทั้งทั้งชีวิตของหล่อนเต็มอยู่ด้วยเหตุการณ์อันเศร้าสลดจนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งหล่อนพยายามจะฆ่าตัวตายและจะฆ่าลูกเล็กๆของหล่อนทั้งทัๆหล่อนเผชิญกับเหตุร้าย ร, ายรอบด้านเช่นนี้หล่อนดำเนินอาชีพร้องเพลงต่อไปโดยไม่ลดละเพื่อพุ่งไปสู่ความมีชื่อเสียง และสุดท้ายหลอนกลายเป็นนักร้องโอเปรา่าแบบวารกเนอร์มีนามโด่งดังที่สุดในฐานะความสามารถทําความตื่นเต้นให้แก่ผู้ดูอย่างยากจะหาผู้เสมอเหมือนและหลอนสารภาพแก่ข้าพเจ้าเช่นเดียวกันว่าเคล็ดลับแห่งความสําเร็จของหลอนเนื่องมาจากหลอนเป็นคนเอาใจใส่ต่อผู้ดูอย่างแรงกล้านั่นเองในทํานองเดียวกันการที่ทีโดโอโรสเฟลกลายเป็นผู้ได้รับความนิยมชมชอบอย่างน่าพิศวง ก็สืบเนื่องมาจากเคล็ดลับอันนี้แม้แต่คนใช้ของเขาก็รักเขาคนใช้นิโครคนหนึ่งของเขาเยมีอามอสเขียนหนังสือเล่มหนึ่งเกี่ยวกับเขาให้ชื่อว่าทีโอโดโรสเวลวีรบุรุษสําหรับคนใช้ของเขาในหนังสือเล่มนี้อามอสเล่าเหตุการณ์ที่น่าสนใจไว้ตอนหนึ่งดังต่อไปนี้ครั้งหนึ่งเมียของข้าพเจ้าถามท่านประธานาธิบดีถึงเรื่องนกป๊อปไว้ หล่อนไม่เคยเห็นเลยว่ารูปร่างของมันเป็นอย่างไรซึ่งท่านประธานาธิบดีได้อธิบายให้หล่อนเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งต่อมาอีกไม่นานโทรศัพท์ที่กระท่อมของเราดังขึ้นมงเละเปิดอามอสและเมียอยู่ในกระท่อมเล็กๆนักค่าวหาของโรสเวล์ที่อ่าวออสเตอร์บงเละปิดเมียของข้าพเจ้าไปรับสายปรากฏว่ารสเวลนั่นเองเป็นผู้พูด ท่านบอกว่าการที่ท่านโทรศัพท์มาถึงเมียของข้าพเจ้าก็เพื่อจะบอกหล่อนว่ามีนกป๊อบไว้อยู่ทางนอกหน้าต่างบ้านของเราซึ่งถ้าหล่อนโผล่หน้าก็จะได้เห็นการที่ท่านประธานาธิบดีเป็นคนเอาใจใส่ต่อผู้อื่นแม้แต่จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นสิ่งหนุนให้ท่านเป็นคนที่มีลักษณะเด่นเป็นพิเศษเมื่อท่านเดินผ่านกระท่อมของเราท่านจะเห็นเราหรือไม่ก็ตามเราได้ยินเสียงของท่านร้องดังๆอูอู อ, อูแอนนี่ หรืออูอูอูเย็มซึ่งเป็นการทักทายขณะเดินผ่านฉันมิตรสหายดีๆนี้เองเป็นไปได้ไหมที่ลูกจ้างจะไม่รักนายจ้างซึ่งเป็นบุคคลชนิดนี้เป็นไปได้ไหมที่ใครๆจะไม่รักบุคคลอย่างท่านผู้นี้เมื่อสมัยวินเลี่ยมทัพเป็นประธานาธิบดีวันหนึ่งโรสเวลไปยังทำเนียบไวท์เฮาส์ในขณะทัพและเมียมไม่อยู่วงเล็บเปิดทับเป็นประธานาธิบดีต่อจากโรสเวลวงเล็บปิด เขาแสดงกิริยาชอบพอฉันกันเองกับคนใช้เก่าแก่ที่ไวท์เฮาส์ด้วยการเรียกชื่อทักทายตลอดทุกคนและทักทายรวมทั้งหญิงคนใช้จํานวนหนึ่งซึ่งมีหน้าที่ล้างชามเมื่อเขาพบอาริสหญิงคนครัวอาร์ซีบัตเขียนเล่าไว้เขาถามหล่อนว่าหล่อนยังทําขนมปังข้าโพดหรือเปล่าอาริสบอกเขาว่าหล่อนยังคงทําในบางครั้งแต่สําหรับ ให้พวกคนใช้กินเพราะพวกอยู่ชั้นบนไม่ชอบกินเขาคงไม่รู้จักกินน่ะสิโรสเวล์พูดเสียงดังฉันจะบอกท่านประธานาธิบดีเมื่อฉันพบเขาอาริสนำขนมปังเข้าโพดใส่จานมาให้เขาชิ้นหนึ่งเขากินพลางเดินตรงไปยังห้องสำนักงานพร้อมด้วยการทักทายปราศัยกับคนสวนและคนงานไปตลอดทางเขาทักทายทุกคนเช่นเดียวกับเขาเคยทาเมื่อครั้งอดีตวงเล็บเปิด ครั้งเมื่อเป็นประธานาธิบดีวงเล็บปิดคนใช้และคนงานต่างเอาเรื่องนี้มากล่าวขวัญกันอยู่เสมอและคนงานคนหนึ่งชื่อไอกูเวอร์พูดพร้อมกับตาหล่อด้วยน้ำตาเป็นวันที่เรามีความสุขที่สุดในระหว่างเวลาเกือบสองปีล่วงมาแล้วเป็นความสุขซึ่งไม่มีใครในหมู่พวกเรายอมแลกกับธนบัตรร้อยเหรียญจากความเป็นผู้เอาใจใส่อย่างแท้จริงต่อปัญหาของผู้อื่น คือมูลเหตุสำคัญที่ส่งเสริมให้ด็อกเตอร์ชานดิลเอเลียดเป็นประธานมหาวิทยาลัยผู้ได้ประสบความสำเร็จสูงสุดยิ่งกว่าบุคคลใดที่เคยกระทําหน้าที่นี้มาแล้วเขารับตำแหน่งประธานของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเมื่อตอนมหาวิทยาลัยตกอยู่ท่ามกลางความตกต่ำระสัาระสายหลังสงครามกลางเมืองแล้ว4ปีและเป็นอยู่จนกระทั่งก่อนจะเกิดสงครามโลกครั้งที่15ปี ต่อไปนี้คือตัวอย่างการปฏิบัติของดรเอเลียวันหนึ่งมีนักศึกษาใหม่ชื่อเอลอารีเคนดันไปหาท่านประธานที่สำนักงานเพื่อขอยืมเงิน50เหรียญจากเงินทุนกู้ยืมสำหรับนักศึกษาเขาได้รับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยครั้นแล้วผมแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจและขยับจะลากกลับข้าพเจ้าบรรยายตามที่เคนดันบอกข้าพเจ้าด้วยตนเองแต่แล้วท่านประธานเอเลียตพูด โปรดอย่าเพิ่งไปครั้นแล้วเขาพูดต่อไปซึ่งทําให้ผมประหลาดใจในเรื่องที่เขาพูดอย่างยิ่งมีผู้บอกผมว่าคุณทําอาหารกินในห้องของคุณเปล่าเลยผมไม่ได้คิดว่าเป็นการกระทําที่ไม่ถูกตราบเท่าคุณปรุงอาหารดีๆและกินอิ่มเมื่อผมอยู่ที่วิทยาลายัยผมทําอย่างนี้เหมือนกันคุณเคยทําเนื้อลูกวัวก้อนบ้างไหมถ้าคุณทําให้สุกพอดีพอดีและปรุงเนื้อวัวให้ได้ที่ มันจะอร่อยอย่างที่สุดจนกระทั่งกินหมดเกลี้ยงเลยผมเคยทำอย่างนี้ครั้นแล้วเขาบอกผมถึงวิธีสับเนื้อลูกวัวการตั้งไฟนานๆเพื่อให้น้ำแห้งจนเหนียวเป็นเยลลี่แล้วตัดออกเป็นชิ้นๆและให้กดด้วยก้นกระทะอีกใบหนึ่งลงในกระทะที่ใช้ทอดและกินหลังจากทิ้งไว้จนเย็นข้าพเจ้าพบความจริงจากความจัดเจนแห่งชีวิตว่าใครๆก็ตามสามารถทาให้บุคคลอื่นสนใจ เสียเวลาและร่วมมือกับเขาแม้ว่าบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในสหรัฐทั้งนี้สำเร็จได้ด้วยการแสดงความเอาใจใส่ต่อบุคคล น, นั้นๆอย่างแท้จริงข้าพเจ้าจะแสดงตัวอย่างให้ท่านดูหลายปีมาแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรแต่งเรื่องเริงรมที่สถานศึกษาบ r ุกลิน n Institute of Art and Science และเราต้องการที่จะให้คัตลินเนริสเฟนนีเฮิร์ Aida ท a b l e อันเบิ r ์ตเพรสั t h ธอ h ์ฮูลรูเบิร์ l และนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงซึ่งไม่ค่อยมีเวลาอีกหลายคนให้มาที่บรุกลินเพื่อบรรยายให้พวกเรารู้และเป็นประโยชน์แก่เราถึงความรู้ความชำนาญของเขาเหล่านี้ในการแต่งหนังสือเราเขียนจดหมายถึงเขาเหล่านี้ข้อความมีว่า พวกเรายกย่องนับถืองานประพันธ์ของเขาและเรามีความสนใจอย่างยิ่งยวดที่จะได้รับคำแนะนำจากเขาทั้งใครจะได้ศึกษาเคล็ดลับแห่งความสำเร็จของเขาจดหมายเหตุทุกฉบับเซ็นโดยนักศึกษาหนึ่งร้อยห้าสิบคนเรากล่าวด้วยว่าเราตระหนักดีว่าท่านเหล่านี้มีงานมากมากจนไม่มีเวลาจะเตรียมคำเลคเชอร์ดังนั้นเราจึงแนบคาถามต่างๆเพื่อให้เขาตอบเกี่ยวกับตัวของเขาและวิธีประพันธ์ของเขา เขาทุกคนต่างชอบการกระทํานี้มีใครใหมายท่านที่จะไม่ชอบผลก็คือท่านเหล่านี้เดินออกจากบ้านมายัางปลุกกลินเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เราตามขอร้องและด้วยการใช้วิธีเดียวกันนี้ข้าพเจ้าเชิญเลดลีเอ็มซอรัฐมนตรีกระทรวงการคลังในชุดรัฐบาลสมัยทีโอโดรสเวลล์ยอตดับบิลวิกเกอร์แชมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเมืม่อสมัยรัฐบาลทัพ วิลเลียมเยนนิงไบอันแฟรงคลินดีโรสเวลล์และคนสำคัญอีกมากมาแสดงปาฐกถาแก่นักศึกษาของข้าพเจ้าผู้ศึกษาหลักสูตรการพูดในที่ชุมนุมเราทุกคนจะเป็นคนขายเนื้อหรือคนทำขนมปังหรือพระราชาเหนือราชบัลลังก์ต่างชอบให้ผู้อื่นยกย่องชมเชยเราด้วยกันทั้งนั้นขอยกตัวอย่างพระเจ้าไกาเซอร์พระเจ้าแผ่นดินของชาวเยอรมัน เมื่อตอนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งใกล้อาวสานพระองค์เป็นบุคคลที่ถูกเกลียดชังอย่างรุนแรงทั่วไปทุกคนทุกแห่งยิ่งกว่าบุคคลใดในโลกนี้แม้แต่ประชากรของพระองค์เมื่อพระองค์หนีไปสู่ฮอลแลนด์เพื่อดำรงรักษาคอของพระองค์ไว้ก็กลายเป็นปรปักษ์ของพระองค์พระองค์ถูกเกลียดชังอย่างเหลือคนานับ จนกระทั่งมีคนเป็นจำนวนล้านๆอยากฉีกร่างของพระองค์ออกเป็นชิ้นๆหรือมัดพระองค์กับหลักแล้วเผาเสียท่ามกลางความข้างแข้นเกลียดชังนี้มีเด็กชายเล็กๆคนหนึ่งเขียนจดหมายถึงพระเจ้าไกเซอร์ด้วยภาษาง่ายๆและด้วยความสุจริตใจสแสดงความรู้สึกสงสารและยกย่องสรรเสริญเด็กเล็กคนนี้เขียนในตอนหนึ่งว่าเขาไม่สนใจว่าใครจะนึกคิดต่อพระเจ้าไกเซอร์อย่างไรบ้าง แต่สําหรับเขาคงรักพระเจ้าไกเซอร์ในฐานะพระมหาจักรพรรดิของเขาเสมอพระเจ้าไกเซอร์รู้สึกซาบซึ้งต่อจดหมายฉบับนี้อย่างยิ่งและขอร้องให้เด็กน้อยไปหาพระองค์เด็กคนนี้เดินทางมาหาพระเจ้าไกเซอร์พร้อมกับแม่ของเขาผลก็คือต่อมาภายหลังพระเจ้าไกเซอร์แต่งงานกับหญิงผู้เป็นแม่ของเด็กเด็กชายคนนี้ไม่จําเป็นจะต้องอ่านหนังสือเกี่ยวกับวิธีชนะมิตรและจูงใจคนเลยเขารู้ดีโดยสัญชาตญาณอยู่ก่อนแล้ว ถ้าเราต้องการจะผูกมิตรเราจะต้องเป็นผู้ทำสิ่งต่างๆให้แก่ผู้อื่นสิ่งซึ่งต้องใช้เวลากำลังงานความมีใจกว้างและความเห็นอกเห็นใจเมื่อสมัยดุกออฟวินเซอร์เป็นมหามากุฎราชกุมารพระองค์มีหมายกำหนดการท่องเที่ยวอเมริกาใต้และก่อนพระองค์ออกเดินทางหลายเดือนพระองค์ใช้เวลาศึกษาภาษาสเปนเพื่อสามารถใช้ภาษานี้ซึ่งเป็นภาษาพื้นเมืองในการกล่าวสุนทรพจน์ ผลก็คือชาวอเมริกาใต้าพากัน ร, รักพระองค์เพราะการกระทําดังกล่าวนับเป็นเวลาแรมปีข้าพเจ้าใช้ความพยายามที่จะรู้วันเกิดของมิตรสหายทั้งหลายทําอย่างไรหรือท่านแม้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นคนเชื่อในทางโหราศาสตร์เลยแม้แต่เท่ากระผิกข้าพเจ้าแซงทําเป็นเชื่อและเที่ยวถามใครต่อใครว่าเขาเชื่อหรือเปล่าว่าวันเกิดของคนเราเกี่ยวยงกับลักษณะและนิสัยใจคอ ครั้นแล้วข้าพเจ้าถามถึงวันและเดือนเกิดของเขาสมมติว่าเขาบอกข้าพเจ้าว่าวันที่24พฤศจิกายนข้าพเจ้าจะท่องในใจไว้ว่าวันที่24พฤศจิกายนวันที่24พฤศจิกายนครั้นเขาผู้นั้นหันหลังข้าพเจ้าจดชื่อและวันเกิดของเขาไว้และต่อมาเขียนลงในสมุดวันเกิดของบุคคลต่างๆเมื่อขึ้นปีใหม่ทุกๆปี ชื่อของบุคคลทั้งหลายเหล่านี้จากสมุดวันเกิดจะถูกคัดลงในแผนปฏิทินตรงตามวันเกิดของเขาซึ่งจะสะดุดตาของข้าพเจ้าโดยอัตโนมัติครั้นเมื่อถึงวันเกิดของผู้ใดข้าพเจ้าจะส่งจดหมายหรือโทรเลขอวยพรมันช่างน่าตื่นเต้นอะไรเช่นนั้นข้าพเจ้ากลายเป็นคนที่สามารถจำวันเกิดของผู้อื่นเก่งที่สุดในโลก ถ้าเราต้องการจะผูกมิตรเราต้องแสดงความคาระวะต่อผู้อื่นด้วยอาการละมุนละไมและมีศรัทธาแก่กล้าเมื่อมีใครพูดโทรศัพท์กับท่านท่านจงใช้จิตวิทยาในแบบเดียวกันนี้ท่านจงกล่าวคำฮัลโหลโดยน้ำเสียงนิ่มนวลอันแสดงถึงว่าท่านมีความชื่นชมยินดีที่มีผู้ต้องการพูดกับท่านบริษัทนิวยอร์กเทลิโฟนได้เปิดโรงเรียนอบรมพนัก ง, งานต่อโทรศัพท์ของบริษัท ให้พูดเมื่อมีผู้เรียกต่อเบอร์อะไรคะด้วยสำเนียงอ่อนหวานคล้ายๆจะมีความหมายสวัสดีค่ะดิฉันมีความสุขอย่างยิ่งที่ได้รับใช้ท่านเราจงจำวิธีนี้ไว้เมื่อเราพูดโทรศัพท์ในคราวหน้าปรัชญานี้ถ้านำมาใช้ในด้านธุรกิจจะเกิดผลไหมข้าพเจ้ามีตัวอย่างอยู่หลายสิบเรื่องแต่ในที่นี้มีเวลานามาแสดงเพียงสองเรื่องเท่านั้นชันอาวอเต แห่งธนาคารใหญ่ธนาคารหนึ่งในนครนิวยอร์กได้รับมอบหมายให้สืบสวนและจัดทำรายงานฐานะของบริษัทแห่งหนึ่งอย่างลับๆเขารู้ดีว่าผู้ที่สามารถจะให้ข้อเท็จจริงตามความต้องการอันรีบด่วนของเขามีอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นดังนั้นบอสเตอร์จึงตรงไปหาท่านผู้นี้ซึ่งเป็นประธานของบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แห่งหนึ่งขณะเขานาร่างเข้าไปในห้องของประธานบริษัท เขาเห็นหญิงสาวคนหนึ่งโผล่หัวออกมาจากประตูห้องและบอกประธานผู้นั้นว่าวันนี้หล่อนไม่มีสแตมให้เขาผมเก็บสแตมให้ลูกชายอายุสิองปีของผมประธานผู้นั้นอธิบายแก่วอนเตอร์วอนเตอร์แจ้งถึงกิจธุระของเขาแล้วเริ่มตั้งคำถามหลายประโยคแต่อีกฝ่ายหนึ่งตอบอย่างเบี่ยงเายและคลุมเครือชนิดขอไปทีเขาไม่ยอมพูดและไม่มีทางใดที่จะชักชวนให้เขาพูดเปิดเผยความจริง การสนทนาจึงสิ้นสุดลงอย่างรวดเร็วและได้ความประจักษ์ผลด้วยความสัตย์จริงผมไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีวอนเตอร์พูดในการเล่าเรื่องนี้ของเขาหน้าฉันแต่แล้วผมระลึกขึ้นได้ว่าเลขานุการของเขาพูดกับเขาเรื่องสแต็มรวมทั้งที่เขาบอกผมเรื่องลูกชายอายุ12บสองปีของเขาผมนึกได้ว่าแผนกต่างประเทศที่ธนาคารของเราเก็บสแตม สแตมที่ตัดจากจดหมายซึ่งหลังไหลมาจากทุกทวีปโดยทางทะเลทุกทิศบ่ายวันรุ่งขึ้นผมไปหาท่านผู้นี้อีกและแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ที่รับแขกให้บอกเขาว่าผมมาหาเกี่ยวกับนําสแต็มมาให้ลูกชายของเขาท่านคิดว่าผมถูกนําเข้าไปในห้องด้วยความกระตือรือร้อนของเขาที่จะพบผมไหมถูกแล้ว เขาจับมือผมเขย่าด้วยความกระตือรือร้อนยิ่งไปกว่าผู้ที่จะเข้าแข่งขันเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสียอีกเขายิ้มแปันมนมิดยอดของผมจะต้องชอบดวงนี้เขาพูดแล้วพูดอีกขณะมือลูบคลาสแต็มเหล่านั้นดูดวงนี้สิครับมันมีค่ามากทีเดียวเราใช้เวลาครึ่งชั่วโมงคุยกันถึงเรื่องสแตมและพิจารณาดูภาพถ่ายลูกชายของเขา ถัดจากนั้นเขาใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงในการบอกผมทุกๆอย่างที่ผมต้องการรู้โดยผมไม่ได้ขอร้องแต่อย่างใดเขาโทรศัพท์ถึงเจ้าหน้าที่ชั้นหัวหน้าใหญ่ของเขาบางคนเมื่อเกิดข้องใจบางอย่างเขาบันทึกให้ผมเสียจนเกินความต้องการด้วยข้อเท็จจริงตัวเลขรายงานและจดหมายโต้อตอบถ้าจะเรียกตามภาษานักสือข่าวหนังสือพิมพ์ก็คือว่าผมหลวงเสียหมดไส้หมดพุงทีเดียว ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่ง CM e f f เฟนน้อยแห่งเมืองฟีราเดลเฟียใช้เวลาความพยายามหลายปีที่จะขายฐานหินให้บริษัทเชนสโตขนาดใหญ่แห่งหนึ่งแต่บริษัทนี้กลับไปซื้อฐานหินเสียจากพ่อค้าเมืองอื่นซึ่งฐานหินส่งไปยังบริษัทเชนสโตดังกล่าวผ่านประตูสำนักงานของเนเฟนอยู่ตลอดมาเนเฟนพูดหน้าชั้นในคืนวันหนึ่ง ในอาการเป็นเดือดเป็นแค้นต่อบริษัทเชนโตนี้และประกาศว่าเป็นการกระทําที่เลวทามชั่วร้ายอย่างไม่มีสิ่งใดเปรียบและเขายังพิศโฉงสงสัยตลอดมาว่าทําไมเขาจึงขายฐานหินให้บริษัทนี้ไม่ได้ข้าพเจ้าแนะนําให้เขาลองใช้ยุทธวิธีชนิดใหม่ขอกล่าวอย่างรวบรัดตัดความเรากระทํากันดังต่อไปนี้เราเปิดให้มีการโต้วาทีขึ้นในระหว่างนักศึกษา เรื่องการค้าแบบเชนสโตเป็นภัยแก่ประเทศมากกว่าเป็นประโยชน์หรือไม่แนฟเฟ่นอยู่ทางฝ่ายค้านตามคำแนะนำของข้าพเจ้าและเขารับรองที่จะโต้ด้วยเหตุผลให้เป็นประโยชน์แก่บริษัทเชนสโตครั้นแล้วเขาตรงไปหาหัวหน้าใหญ่ของบริษัทซึ่งเขาแสนจะเกลียดชังและพูดผมไม่ได้มาหาเพื่อขายฐานหินหรอกครับผมมาเพื่อจะขอความช่วยเหลือสักอย่างหนึ่งครั้นแล้ว เขาเล่าถึงเรื่องการโต้วาทีและพูดผมมาขอความช่วยเหลือจากท่านเพราะผมมองไม่เห็นใครสามารถให้ข้อเท็จจริงที่ผมต้องการแก่ผมผมกระหายอย่างยิ่งที่จะชนะการโต้วาทีนี้ผมยินดีที่สุดถ้าท่านช่วยเหลือผมบ้างแม้แต่เพียงเล็กน้อยเรื่องนี้เป็นอย่างไรต่อไปโปรดฟังคําพูดจากปากของเนฟเฟิเอง ผมขอพบท่านผู้นี้โดยบอกว่าจะรบกวนเวลาของเขาเพียงนาทีเดียวเท่านั้นเพื่อเขาจะไม่รังเกียจในการพบผมแต่ครั้นหลังจากผมเล่าถึงเจตจำนงของผมเขาเชิญผมให้นั่งลงและพูดกับผมเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงสี่ิบเจ็ดนาทีเขาเรียกเจ้าหน้าที่ชั้นหัวหน้าอีกผู้หนึ่งให้เข้ามาพบเพื่อให้ความแจ่มแจ้งแก่ผมบางประการซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้นี้เคยเขียนหนังสือเล่มหนึ่งเกี่ยวกับบริษัทเชนสโต นอกจากนั้นเขายังเขียนจดหมายฉบับหนึ่งถึงสมาคมเชนสโตแห่งชาติเพื่อให้จัดส่งสำเนารายการสำหรับการโต้ ว, วาทีในเรื่องนี้มาให้ผมชุดหนึ่งโดยเร็วตามความรู้สึกของเขาเชนสโตได้บำเพ็ญประโยชน์อย่างแท้จริงให้แก่มนุษยชาติเขารู้สึกภูมิใจในกิจการนี้ซึ่งได้ช่วยเหลือประชาชนนับจำนวนเป็นหมืน่นในขณะพูดถึงตอนนี้ตาของเขาทอแสงเป็นประกาย ผมขอสารภาพว่าเขาทำให้ผมมองเห็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการค้าของเชียนสโตซึ่งผมไม่เคยมีความรู้มาก่อนเขาเปลี่ยนแนวจิตของผมในเรื่องนี้เสียโดยสิ้นเชิงตอนผมลากลับเขาเดินมาส่งผมที่ประตูแขนข้างหนึ่งโอบรอบไหล่ของผมกล่าวคำอวยพรให้ผมชนะการโต้วาทีและขอร้องให้ผมแวะมาหาเขาอีกและแจ้งผลของการโตวาทีของผมให้เขารู้ คำพูดประโยคสุดท้ายที่เขาพูดกับผมดังนี้โปรดมาหาผมอีกในฤดูใบไม้ผลิผมอยากจะติดต่อสั่งซื้อฐานหินของท่านมันดูคล้ายเป็นสิ่งปาฏิหาริสํำหรับผมเขาแสดงความจํานงจะซื้อฐานหินของผมโดยผมไม่ได้ขอร้องอย่างใดเลยภายในเวลาสองชั่วโมงด้วยการแสดงอาการเอาใจใส่อย่างแท้จริงของเขาและปัญหาของเขา ผมได้รับผลสำเร็จอันงามยิ่งกว่าใช้เวลาถึงสิบปีที่จะให้เขาเอาใจใส่ต่อผมและฐานหินของผมท่านไม่ได้เป็นผู้ค้นพบหลักความจริงอันนี้หรอกเนเฟอนเพราะว่านานมาแล้วราวหนึ่งร้อยปีก่อนพระเยซูเกิดกวีเอกนามอุโคตชาวโรมันชื่อปุ๊บอีลิอัสไซรัตกล่าวเราจะเอาใจใส่ต่อผู้อื่นก็ในเมื่อเขาผู้นั้นเอาใจใส่ต่อเราดังนั้น ถ้าท่านต้องการให้ผู้อื่นชอบท่านกฎที่หนึ่งมีดังนี้จงเอาใจใส่อย่างแท้จริงต่อผู้อื่น